เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ1ิบกว่าปีก่อนได้แล้วไม่ได้เกิดขึ้นกับผมเองแต่เกิดขึ้นกับแม่ของผมพอผมโตแม่ก็เล่าให้ฟังย้อนกลับไปตอนนั้นผมยังไม่เกิดและแม่ผมกำลังตั้งท้องผมอยู่ครอบครัวผมก็มีแพลนว่าจะไปทำบุญที่วัดวัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีไปกันทางครอบครัวก็ออกเดินทางกันไปพอถึงวัด พี่สาวของผมเกิดปวดชีเลยขอเข้าห้องน้ําลักษณะห้องน้ําที่วัดจะเป็นแบบรูปตัวทีพอเราเดินเข้าไปปุ๊บจะมีแยกซ้ายกับแยกขวาและมีห้องน้ําเรียงต่อกันยาวเป็นบล็อกๆพี่สาวผมตัดสินใจเลี้ยวเข้าห้องน้ําทางฝั่งขวามือห้องในสุดทําธุระเสร็จก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งผ่านไปทําบุญอะไรกันเรียบร้อย แม่ผมก็ขอเข้าไปห้องน้ำบ้างแม่ตัดสินใจเข้าห้องน้ำทางฝั่งซ้ายมือซึ่งก่อนที่แม่จะเข้าห้องน้ำแม่จะตรวจ ด, ดูห้องน้ำแต่ละห้องก่อนว่าประตูมีรูไหมสะอาดไหมจนกระทั่งแม่ผมตัดสินใจเข้าห้องน้ำห้องในสุดซ้ายมือที่ดูสะอาดและสมบูรณ์กว่าห้องอื่นแม่ผมก็ทำธุระไปไม่มีอะไรแต่พอเสร็จจะเปิดประตูออกประตูกลับเปิดไม่ออกบิดลูกบิดแกะแกๆ ยังไงก็ไม่ออกแม่ผมบอกว่าไม่เหมือนประตูติดแต่เหมือนมีแรงคนดันจากอีกฝั่งไว้เพราะเวลาออกแรงดึงจะรู้สึกได้สักพักเสียงก็มาตึงตึงตึงตึงตึงตึงเป็นเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างดิ้นอยู่บนหลังคาตอนแรกแม่ก็นึกว่าแมวไม่ได้แหงนขึ้นไปดูยังคงบิดลูกบิดเพื่อที่จะพยายามออกมาแต่เสียงนั้นก็ไม่หยุดจนแม่ต้องตัดสินใจเงยหน้าขึ้นไปดู หลังคาห้องน้ำวัดที่นี่เป็นหลังคาโปร่งแสงเวลาแดดส่องมาจะสว่างเป็นสีเหลืองสิ่งที่แม่เห็นคือผู้หญิงผมยาวดินแรงๆผมสยายไปมาสองมือทาบที่หลังคาก้มหน้าแนบติดหลังคาจนสามารถเห็นแววตาปวดโปลนที่กำลังมองลงมาหาแม่อย่างเกียดแค้น แล้วก็ดิ้นดิ้นดิ้นอยู่อย่างนั้นต่อแม่ก็รีบปิดประตูรัวๆเพื่อจะออกและข้างบนมันก็ยังสั่นไม่หยุดแม่ผมเป็นคนจิตแข็งไม่กลัวผีและคงโมโหเลยด่าออกไปจะมาขอบุญอะไรมึงก็มาขอดีๆมึงจะเปิดหรือไม่เปิดถ้ามึงไม่เปิดกูจะแช่งให้มึงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยสักพักเสียงนั้นก็หายไปแม่บิดประตูอีกครั้งทีนี้เปิดออกได้ง่ายๆพอแม่ออกมาล้างมือ สายตาแม่เหลือไปมองกระจกอ่างล้างมือสะท้อนเห็นเป็นผู้หญิงผูกคอห้อยตรงเตงอยู่หน้าห้องน้ำห้องในสุดที่แม่เพิ่งออกมาแล้วดิ้นไปดิ้นมาเอามือจับเชือกที่คออย่างทรมานเหมือนจะให้แม่ผมกลัวแม่ผมรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำทุกคนก็ถามว่าเป็นอะไรแม่เลยมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังจนสุดท้ายเลยไปถามหลวงตาที่วัดนี้ท่านก็เล่าว่า มีผู้หญิงคาดว่าน่าจะทะเลาะ ก, กับแฟนมาเลยมาผูกคอตายอยู่ในห้องน้ำนั่นวิญญาณอาฆาดมากไม่ยอมไปไหนเชิญออกก็ไม่ออกไกลเข้าห้องน้ำนั้นโดนกันหมดจนคนแถวนี้เขารู้เลยไม่มีใครเข้าห้องนั้นกันแม่ผมถึงบางอ้อว่าทำไมห้องน้ำห้องนั้นถึงดูใหม่ดูสมบูรณ์กว่าห้องอื่นๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ